ก็ความในอัตถกถาปาสราสีสูตรต่ อ, อมีผู้ที่ตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีความปริวิตกที่จะไม่แสดงธรรมคือปเป็นความคิดประรพไม่แสดงธรรมน่นะและพรมอาราธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อไหร่ตอบว่าตอนที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้แปดสัปดาห์นะ สัปดาห์ที่8เป็นสัปดาห์ที่พรห ม, มาอาราธนามีเรื่องราวกล่าวถึงพุทธประวัติโดยสังเขปดังต่อไปนี้ว่าดังได้สดับมาในวันมหาพิเนสกรมคือวันที่พระพุทธเจ้าออกบวชหรือที่พิเนสกรมก็มาจากคําว่าออกเนสขมมะนะก็คือออกจากวัตถุกรรมออกจากความเกลือนกลั้วในกิเลสกรรมทั้งหลายด้วยมาบวชเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ ท, ทอดพระเนตรเห็น เรือนเห็นเรือนที่นางสนมกำนานเนี่ยนอนอยู่นะก็คนเนี่ยหากว่าถ้า น, นอนแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวกันเต็มที่หมดเลยเนี่ยนอนอย่างที่ตัวเองอยากจะนอนเป็นต้นเนี่ยท่านก็สลดสังเวชใจที่สลดสังเวชใจก็คือพื้นฐานจากการเจริญอสุภาษสัญญาเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายภพชาติมันอ น, นิสงส์ของอสุภาษสัญญาเนี่ยนะที่เจริญไปมากก็ทําให้น้อมไปเพื่อเอื้อมระอาเนี่ยนะ ก็เลยตรัสเรียกนายชนะมาสั่งว่าม้ากันตกะมาสิเนี่ยนายชนะไปนําม้ากันตกะมานายชนะมีนายชนะเป็นสหายพระองค์ก็ขึ้นหลังพญาม้าออกจากพระนครกบิลพัฒน์พระองค์แสดงเจติยะที่สถานให้ม้ากันตกะกลับหมายค่ะว่าก่อนที่จะจากเมืองกบิลพัฒน์นั้นให้ม้าเนี่ยหันหลังกลับเพื่อจะมาดูอนันห์มาดูเมืองกบิลพัฒน์ก่อน เสร็จแล้วพระองค์ก็สละราชสมบัติผนวตรที่ฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีสเสด็จจาริกไปตามลําดับเที่ยวสแสวงหาอาหารในกรุงราชครึกประทับนั่งสเสวย อ, อาหารที่เขาปันฑวะบรรพศเนี่ยนะที่เมืองราชครึกคือพระพุทธเจ้านั่งสเสวยพระกายอาหารที่นั่นถูกพระเจ้าพิมพิสารตรัสถามถึงนามและโคดพระเจ้าพิมพิสารก็ตรัสขอให้รับราชสมบัติ พระโพธิสัตว์ก็ทูลเล่าว่าอย่าเลยมหาปิฏฐ์อาตมาภาพไม่ต้องการราชสมบัติอาตมาสละราชสมบัติมาประกอบความเพียรเพื่อเกื้อกูลแก่โลกเนี่ยนะมาประกอบความเพียรเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะฉะนั้นออกบวชก็ด้วยหมายใจว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าตัดเครื่องหมุนเวียนหรือตัดความหมุนเวียนที่เป็นไปในโลกเนี่ยนะพ้นจากความ อวบนอยู่ในวัตตะวบนอยู่ในการมโลกรูปประโลกและอรูปปโลกทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็อาราธนาว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วโปรดมาแคว้นมคธของหม่อมฉันก่อนพระองค์ก็รับปฏิ ญ, ญาว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและจะมาโปรดนะมาแสดงธรรมในแคว้นมคธก่อนพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาอาราลดาบทกาลามโคธได้ ศึกษาอยู่จนได้อากินจัญญายตนะสมาบัติก็ไม่สมความปรารถนาก็จากไปเข้าไปในสำนักของอุทกาดาบทรามาบดไม่พบสาระแห่งธรรมคือไม่พบสาระของอากินจัญญายตนะเพราะว่าอากิจนจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญาญายตนะทั้งรูปสมาบัติอารูปสมาบัติของนักบวชทั้งสองท่านนั้นไม่เป็นไปเพื่อ น, นิพิทา คือไม่เป็นไปเพื่อวิปัสนาไม่ได้เป็นไปเพื่ออนุปัสนาทั้งเจ็ดมันเมื่อไม่เป็นไปเพื่ออนุปัสนาไม่รองรับอนุปัสนาทั้งหลายก็ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้พันสมบัติเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานแต่ที่แท้เป็นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออาจกินจัญญายตนะพบมีอายุหกหมื่นกับ แล้วก็เพื่อนเนวะสัญญานาสัญญายตนะพบมีอายุ8 0ดหมื่นกับเป็นการพักผ่อนในวัตะชั่วข่าวเท่านั้นเองแต่แล้วก็ยังเดินทางไกลเวียนว่ายต่อไปในวัตะอย่างไม่มีที่สุดเนี่ยนะทัา น, นพระองค์ก็เลยบอกว่าไม่มีสาระคือเกี่ยวกับเรื่องฌานเนี่ยนะต้องศึกษาให้ดีว่าฌานบางอย่างเป็นบาทของพบฌานบางอย่างเป็นบาตของอภิน ญ, ญาฌานบางอย่างเป็นบาตของวิปัสสนาฌานบางอย่างเป็นบาตร เป็นบาทของการเข้าพระสมาบัติแต่ฌานของนักบวชนอกศาสนาเป็นบาทของการเกิดในภพใหม่อันนี้อันนี้ซึ่งไม่ใช่เจตนารม์ของพระโพธิสัตว์ที่คิดไว้ตั้งแต่เดิมนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาว่าอะไรคือกุศลกุศลที่นําออกจากวัตะเป็นอย่างไรธรรมที่สงบระงับดับหรือธรรมที่สงบระงับพ้นจากวะตฏะจริงๆอะ่ะคืออะไรนั่นคือเจตนาเดิมของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อไปพบอากินจัญญายตนะ เนวสัญญาญตณะเนี่ยนะซึ่งเป็นบาทของการเกิดในอรู ป, ประพรมก็ถือว่าไม่ใช่ผลที่พระองค์มุ่งหมายพระองค์ก็เบื่อหน่ายแล้วก็จากไปทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนนั้นก็ยังไม่ชัดลักษณะว่าข้อปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างในตอนนั้นพระองค์เองก็ไม่ชัดแต่รู้ว่าข้อปฏิบัติที่อาจารย์ทั้งสองสอนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการเพราะไม่ใช่ไม่ได้ตรัสรู้ บทธรรมที่สงบที่ดับสังคตะธรรมทั้งปวงก็เลยหลีกออกไปบำเพ็ญทุกรกิริยาสิ่งที่ทำได้ยากถึงหกปีที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อไม่อาจจะแทงตลอดอมะตะธรรมไม่สามารถบรรลุนิพพานด้วยอาหาการอดอาหารที่ผอมโซเนี่ยนะบอกว่าตอนที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญปฏิบัติตอนททุกขกิริยาเนี่ยนะการเจริญศีลสมาธิปัญญาของพระองค์เนี่ยถูกตรงหรือไม่ ถ้าตั้งคาถามแบบนี้ถูกตรงหรือไม่บอกว่าถูกตรงตรงทางตรงข้อปฏิบัติแต่ขาดส ป, ปายะคืออาหารเปรียบเหมือนอย่างว่าคนที่เดินถูกทางเนี่ยนะแต่วิ่งมาด้วยความเร็วซึ่งซึ่งทางซึ่ ง, ง, ง, งทางมันไกลามากอ่ะแต่ตัวเองเนี่ยวิ่งสุดกําลังเลยเนี่ยนะวิ่งสุดแรงวิ่งเต็มที่เนี่ยหนทางอีกเป็นหมื่นกิโลเนี่ยวิ่งรวดเดียวให้มันถึงเลยเป็นไปได้ไหมกําลังปกติธรรมดาบอกเป็นไปไม่ได้ถึงทางถูกก็เถอะ แต่ถ้าวิ่งเกินกำลังเกินไปก็ไม่ได้พักไม่มีโอกาสพักผ่อนไม่มีโอกาสดื่มหลับนอนเป็นต้นซึ่งชีวิตของผู้ที่เดินทางไกลจำต้องรู้กำลังรู้ประมาณของตนแต่พระโพธิสัตว์นั้นภาพเพียรอุตสาหเกินกำลังไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเนี่ยนะอดอาหารแล้วก็พร้อมโซนอนนิดเดียวเนี่ยนะก็วขวนขวายเต็มที่ถามว่าอย่างงานที่มันกองโตเลยเนี่ยนะ งานขุดดินโดยใช้จอบเนี่ยเช่นงานขุดภูเขาโดยใช้จอบเนี่ยทุ่มเทขุดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะทำงานคนเดียวให้เสร็จภายในวันเดียวเสร็จเลยไหมไม่เสร็จมันก็ต้องทานตามการพักผ่อนตามการดื่มตามการทํางานตามการแบ่งเวลาอย่างเป็นแผนเป็นระบบเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานอันนั้นได้อย่างสําเร็จฉันใดพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันพระองค์ก็รู้ว่าอินทรีย์ของพระองค์ไม่แก่กล้าแต่เนื่องจากยุคนั้นเขาเชื่อว่าต้องอดอาหารทําตนให้เดือดร้อนแล้วจะ ในที่สุดจะเหมือนกับว่าลัดให้เร็วขึ้นเนี่ยนะเหมือนกับบางคนก็นเดินทางเนี่ยนะเดินทางไกลแล้วรีบเร่งก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละนึกว่าจะถึงเร็วขึ้นที่ไหนได้กลับบอกว่าไม่เลยเนี่ยนะมันทาไม่พักผ่อนตามการอย่างสมมุติว่าเราเดินทางไปหลายๆจังหวัดต่อกันแล้วรถเราก็ไม่ใช่เป็นรถที่เร็วอะไรเนี่ยไม่ยอมพักในสถานที่ที่ควรพักไม่บริโภคในสิ่งที่ควรบริโภคไปอีกที่หนึ่งมันก็หมดไม่มีที่อาหารบริโภคแล้วพอไปถึงที่มีที่มีอาหารมีที่พักก็ไม่ยอมพักไม่ยอมทานอีก ไปต่อเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นลมฟุบอยู่แถวระหว่างทางกันแหละพระโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นท่านทนําจนแทบจะกลม้มฟุบลงไปฟื้นขึ้นมาอีกงวงเงียงงวงเงีย้ยเนี่ยนะท่านก็ทําเอาขนาดนั้นแล้วแล้วก็ในที่สุดก็รู้ว่าไม่ใช่ก็กลับมาบริโภคอาหารที่หยาบหยาบเนี่ยนะอาหารหยาบที่เป็นอาหารของมนุษย์ทั่วๆไปวันเพนวิสาขะเดือนหที่ดากุดุมพีชื่อว่าสุชาดา ในอุโรเวลคามตั้งความปรารถนาะณต้นใสต้นหนึ่งว่าถ้าเราได้แต่งงานกับคนมีชาติตระกูลเสมอกันได้บุตรชายท้องแรกจักกระทําการบวงสวงซึ่งความปรารถนาะอันนั้นของนางก็สําเร็จในวันวิสาขบูรมีวันเพ็ญเดือนหกนางก็เตรียมเข้ามาทุกปายาติอย่างดีในเวลาใกล้รุ่งด้วยหมายว่าจักกระทําบวงสวงแต่เช้าตรู่เมื่อกําลังหงเข้ามาทุกปายาตอยู่นั้น ฟองข้าวมะทุปายาตฟองใหญ่ๆพุดขึ้นวนเวียนไปทางขวาปกติเนี่ยก็ลอยไปเรื่อยนะแต่นี้มันเวียนไปทางขวาเป็นทักษิณาวัดหมดเลยแม้ส่วนที่ถูกสัมผัสอย่างหนึ่งก็ไม่ไกระเด็นออกไปข้างนอกปกติเนี่ยข้าวที่หุงมันต้องกระเด็นออกไปนอกหมอ้อนอกอะไรบ้างแต่นี้ไม่หลืเวียนอยู่แต่ข้างในเนี่ยนะเมื่อลอยพองปั๊บก็เวียนอยู่ข้างในแล้วไม่กระเด็นออกไปนอกหม้อเลยแม้แต่เดียวตอนนั้นเนี่ยนะท้ามหาพรหมก็กั้นสเสวตฉัตรเวลาทำอาหารอันมือนั้น เท้าโลกบาลทั้ง4ี่ก็ถือพระขันอรักขาเท้าสักกะก็รวบรวมไม้ฟืนมาติดไฟเทวดาในทวีปสี่ก็รวมโอชะมาใส่ลงในข้าวมาทุ ป, ปายากนะก็ได้เาเทวดาช่วยปรุงกันเต็มที่เลยนะเพราะว่าอาหารสัปปายะระดับมหาบุรุษแล้วต้องเป็นอาหารชั้นพิเศษเนี่ยนะจริงจะเป็นอาหารสัปปายะรองรับคุณธรรมมนคนที่ปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่สนใจอาหารสัปปายะเนี่ยนะ อรู้ว่าอะไรไม่สปาย ะ, ะสปายะไม่สปายะโดยมากก็ไปไม่รอดเนี่ยนะพอเริ่มเขาเรียกอะไรนะพอเริ่มศึกษาธรรมะก็ป่วยกระเาะกระแซะอดอดแอด อ, อจริงๆหนึ่งพักผ่อนไม่พอสองอาหารไม่สปายะสามแบ่งเวลาไม่เป็นสี่หามรุ่งหามค่ำเป็นต้นแล้วก็ห้านอกเรื่อง้ะส่วนใหญ่มันก็เลยไม่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไหม เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้นแหละที่ทำให้สำเร็จผลที่ถูกต้องเน่ยนะในนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคอยเวลาพิกขาจา์สายก็โพงก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรูประทับนั่งนะักโคนต้นไม้ต้นใส่แม่นมมาเพื่อเพ้าถางโค น, นต้นไม้บอกแกนางสุชาดาว่าเทวดานั่งอยู่โคนไม้แล้วคือพระโพธิสัตว์ถ้ายามปกติเนี่ยใครเห็นก็นึกว่าเทวดา ทุกคนมองเห็นปับ๊บโอ้เทวดาจำแรงมาหรือไงเนี่ยนะคือท่านงามขนาดนั้นนะนางสุชาดาก็ประดับด้วยเครื่องประดับทั้งทั้งปวงแล้วก็จัดแจงข้าวมาุปายาใส่ในถาทองมีค่าแสนหนึ่งตัวถาดเนี่ยราคาแสนหนึ่งถาดอีกอันหนึ่งที่มาปิดก็มีราคาอีกแสนหนึ่งแล้วก็เดินไปเนี่ยนะอาหารอันนั้นก็มีค่าหาประมาณไม่ได้ใช่เพราะเทวดามาปรุงโอชาทิพใส่ลงไป พอไปถึงแล้วก็ไปเห็นพระมหาบุรุษวางไว้ในมือพร้อมกับถาดนั่นแหละคือสมัยธรรทเนียมของประเทศอื่นๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงเป็นต้นเนี่ยก็จะทวางอาหารไว้ในมือพระเนี่ยนะเช่นเขาถวายเช่นยกถาดอาหารก็เหมือนกับว่าผู้ชายประเคนของทั่วไปธรรมเนียมของประเทศอื่นจะเป็นอย่างนั้นหมดแต่ธรรมเนียมบ้านเราเนี่ยกค่อนข้างจะถือแข้งหน่อยเนี่ยนะก็จะมีต้องมีผ้ารับประเคนแต่ถ้าอย่างประเทศอื่นๆนะจะไม่เนี่ยนะ ไปที่ประเทศอื่นจะเห็นว่าพระเนี่ยยื่นมือไปรับเลยเอ๊ะอั น, นะเราก็จะแปลกใจว่าทําไมท่านไม่เอาผ้ามารับมาอะไรไปศีลังกาเนี่ยพระก็จะไม่ยื่นเอาผ้ามารับท่านก็ยื่นมือไปรับเลยทีนี้ผู้หญิงก็ถอยเลยเอ๊ะ ย, ยังไงกันแน่คือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ใช้ผ้ารับเนี่ยคือพระประเทศไทยเท่านั้นเองอันนโดยปกติแล้วเขาจ ะ, ะรับประเคนโดยที่ก็ธรรมดาเนี่ยนะ ก็รับกันก็ยื่นไปยื่นกันมาธรรมดาไม่ไม่ได้มีผ้ารับประเคคือหมายความว่ารับด้วยมือก็ได้แต่ไม่ได้ไปจับมือนะรับด้วยมือเนี่ยแปลว่าเอามือไปรับอาหารไม่ได้ไปจับมือคนถวายเนี่ยนะคนละอย่างฟังให้ดีแล้วก็จะใช้ผ้ารับจะใช้บาตรรับใช้อะไรรับก็ได้ส่วนนางสุชาดานี่ก็เอาถาดอาหารไปวางไว้ในมือของพระโพธิสัตว์เลยเสร็จแล้วก็ นะปกติเนี่ยจะไปขอพอรเทวดาขอพอรพระใช่ไหมนางสุชาดาเนี่ท่านพิเศษท่านสมพรแล้วเนี่ยนะสมความปรารถนาที่จ้างเอาไว้แล้วก็ไปให้พรเทวดาว่ามโนรถของดิฉันสําเร็จแล้วฉันใดขอมโนรถแม้ของท่านก็จงสําเร็จฉันนั้นเทินแล้วก็กลับไปนะอันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมไปให้พรเทวดาบ้างนะนะไปไหว้พระก็ไปให้พรพระสิไปขอแต่พรพระอย่าง าพระยาท่านทก็ให้พอรอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเร า, เ, าเราก็ได้ท่านก็ได้บุญคนเดียวใช่ไหมเราไม่มีโอกาสได้บุญบ้างเลยเราก็ต้องให้พรให้ท่านสุขภาพดีอายุยืนเป็นต้นเนี่ยนะเราก็เอาท่านว่าให้เราท่านก็ได้บุญเราว่าให้ท่านเนี่ยนะว่าหมายาว่าเจริญเมตตาให้ท่านเราก็ได้บุญต่างฝ่ายต่างก็ได้บุญเนี่ยนะฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นสเสด็จไปยังริมฝัง่งแม่น้ําเนรัญชาราแล้วก็วางถาดทองเอาไว้ริมฝัง่ง ลงสงน้ำเสร็จแล้วก็สงปั้นข้าวมาทุปายาดได้ทั้งหมด4ี่บเก้อนสเสวิข้าวมาทุปายาดแล้วหลังจากชันเสร็จก็เสี่ยงถ่ายว่าถ้าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอถาด จ, จงลอยทวนกระแสน้าอย่างนี้แล้วก็เวียงถาดลงไปเวียงไปเนี่ยนะถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้าแล้วก็หยุดหน่อยหนึ่งก็ลอยทวนแล้วก็หยุดหยุดเสร็จแล้วก็จมลงไปในพบของเท้า กาลนาคราชวางถาดเนี่ยไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าอีกสองค์ก่อนหน้านั้นถาดพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะโกนาคมณะและกัสปะก็เป็นถาดใบที่4รอถาดพระศีอานอีกใบนึงก็เป็นใบที่หนี่นะพระมหาสัตประทรับนั่งพักกลางวันณแนวป่าตกเวลาเยน็นก็รับย่าแกรรมที่โสธยพราหมณ์อามาถวายแล้วก็เสด็จขึ้นสูโ่โพธิมันทสถาน ประทับยืนนะส่วนทิศใต้นะก็ไปยืนเพื่อที่จะอะไรนะคิดว่าสถานที่ตรงนี้ควรที่จะตัดสรูไหมพอยืนด้านทิศใต้แผ่นดินก็หวั่นไหวเหมือนหยาดน้ําในใบบัวก็คิดว่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมของเราได้ก็ไปทิศตะวันตกเนี่ยนะทิศตะวันตกทิศตะวันตกบอกที่ตรงนี้ก็รองรับคุณธรรมของเราไม่ได้ก็ไปในทิศเหนืออีกทิศเหนือก็วหวั่นไหวเหมือนกันก็ไปในส่วนทิศตะวันออก ณนะที่ตรงนั้นฐานที่ทําเป็นบอลลังไม่หวั่นไหวเลยเหมือนเสาหลักที่ปักเอาไว้เป็นอย่างดีพระโพธิสัตว์ก็ดําเระว่าที่นี้เป็นที่รื้บัญชรกิเลสแปลว่ารืน้นต่างกิเลสเนี่ยนะทำลายกิเลสได้ก็ณสถานที่ตรงนี้แหละของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะประทับนั่งณสถานที่ตรงนี้ น, นะคือตัวสถานที่หมายค่าว่า ตัวสถานที่กับข้อปฏิบัติให้บรรลุเนี่ยมันคนละอย่างก็จริงแต่ว่าการบรรลุก็ต้องอาศัยสถานที่ที่สมควรใช่หพระราชาจะไปบรรทมที่หมู่บ้านคนจันทานไหมอ่านะพระราชาจะไปประทับบรรทมที่บ้านคนจันทานหหรือจะไปตั้งราชาพิเศษที่บ้านคนจันทานแถวบ่อน้ำครามหม้เขาทำอย่างนั้นไหมมันก็ต้องเป็นสถานที่ที่ดูแล้วก็เหมาะสมสมควรที่จะ ราชาพิเศษฉันใดสถานที่ที่พระพุทธองค์จะบําเพ็ญอภิเศตตรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัจจาพิเศษเนี่ยนะอภิเศกการตรัสรู้โดยการแทงตลอดอริยศัตร์ก็ต้องอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์กรก่อนได้อภิเศตตรสรูเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จับยอดหญ้าเหล่านั้นเขย่ายอดหญ้าเหล่านั้นก็เป็นเหมือนกับช่างจิตตกรรมลาก อนาวาสเหมือนกับปลายนุ่มเนี่ยนะเเหมือนกับว่าขนแปรงเนี่ยที่เรียงซ้อนกันเป็นอย่างดีพระโพธิสัตว์ทรงเข้าประชิดต้นโพทรงอธิษฐานความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ว่าถ้าหากว่าเราจะไม่บรรุเนี่ยนะจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่ทาลายบัลลังก์นี้แล้วนี้ลุกนั่ง